เราเดินก็คือการสร้างจังหวะด้วยเท้าการนั่งก็คือการสร้างจังหวะด้วยมือนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สร้างจังหวะพร้อมกันทางเท้าและมือนี้การเดินก็จะมีเทคนิคของมันอยู่ว่าการเดินอย่างไรที่เดินได้นานแล้วก็ไม่เมื่อยไม่ปวดขาคือการที่เราเดินแบบทอนน่องสบายๆแต่ว่า รู้ลงไปชัดๆว่าเวลาเท้าเราเหยียบเนี่ยส่วนไหนบ้างที่รับ น, น้าหนักงินหน้าข้างหลังตรงกลางคือเบื้องต้นนี้ให้สังเกตชัดที่ได้จุดขึ้นมาควาว่าชัดกับเพง่งกับจ้องเนี่เหมือนกันหรือต่างกันอันไหนเป็นเหตุของอันไหนระวังความชัดเจนกับการเพง่งเคยดูหลายสิ่อย่างเหมือนกันเพง่งแต่การมองให้ชัดมองหลายมุมใช่ไหมแต่ถ้าหกมองเพง่งหมายความว่ามองมุมเดียว มุมที่มองแต่มุมนี้ต่การชัดนี่มันจะดูรอบๆดูทั้งทั้งหมดของสิ่งนั้นนี่เขเรียกว่าความชัดทุกมิติ the all dimension แต่ที่ถ้าหากว่าการเพ่งนี่หมายถึงว่า concentrate จุดเดียวเพานั้นความชัดเปสมือนกับไฟที่เราเปิดทั้งดวงการเพ่งจ้องเหมือนกับเรา concentrate เฉพาะไฟฉ า, ายที่มีมีเลนโฟกัสอยู่การเพ่งให ไปตรงหน้าอย่างเดียวแต่พอเราเปิดเลนไปใช้ออกแสงสว่างก็จะไปทั่วนะความชัดคือชัดอยู่ในรัศมีที่จําจกัดแต่การเพ่งนี้อาจารจ้อจงไปไกลจ้องไปจุดที่ต้องการจะไกลก็ได้จะใกล้ก็ไ ด, กกได้ระหว่างการเพ่งกับความชัดเนี่ยมีผลต่อความรู้สึกอย่างไรถ้าเพ่งเกิดสมมุติอย่างนี้ถ้าชัดเกิดอสมมุติใช้คําว่าประคอง สบายไฟใช่อันนี้คือต้องทําความเข้าใจจุดนี้ก่อนเพราะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องนี้คือทําไปนานๆแล้วมันเหนื่อยมันเพลียมันเบือเบ่อมันขี้เกียจเพราะเราไปผือทําอย่างนี้จะบอกว่าจะไม่เพ่งตั้งแต่ต้นเลยได้ไหมยังไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากเรายัางไม่มีประสบ ก, การณ์เพราะนั้นเราจะเพ่งบางชัดบางเพ่งบางชัดบางเพ่งบางชัดบางจนกระทั่งว่าเรา ควารู้สึกเจะบอกเราถ้ารู้สึกหนักรู้สึกเหมือนกับถูกกักถูกบีบเนี่ยนั่นหะมายถึงการเพ่งเราทำแบบสบายๆแต่ก็ไม่ถึงกับเพลินแต่ชัดสมว่าเราเดินเดินถ้าหากว่าเราเดินแบบสบายๆจะเห็นสัมผัสชัดว่าส่วนไหนของเท้าที่สัมผัสกับพื้นและถ้าคนไหนเริ่มมี สมาธิหรมีสัมมัชญะก็จะเห็นว่าการยกของเท้าเนี่ยยกช้าหรือเร็วและการเหยียบเหยียบเนี่ยไอ้ความหนักความชัดมันจะอยู่แค่ฝ่าเท้าหรืออยู่ในส่วนอื่นด้วยมันก็จะสังเกตลาง้นมาเรื่อยๆจากฝ่าเท้าสังเกตข้อเท้าสังเกตการยกเวลาเหยียบลงไปเนี่ยความตึงความหนักที่อยู่แค่ฝ่าเท้าหรือว่าอยู่ในส่วนอื่นด้วยเช่นว่า ข้อเท้าข้อเขา่ากัมเนื้อขาใช่ไหมแล้วก็จะเห็นการสั่นเสือขึ้นมาดการที่เราเข้าไปดูสังเกตให้ชัดแบบนี้เรียกว่าการสังเกตนะการสังเกตแล้วก็จิตของเราก็จะมีความผ่อนคลายและยืดหยุ่นเพราะมันไม่ได้จ้องอยู่ที่เดียวใช่ไหมเกิดสังเกตตรงนั้นบ้างสังเกตตรงนี้ลไล่ไปดูไปดูมาแล้วก็สติสัมยาคนไหนละเอียดก็จะละเอียดคนไหนคนไหนที่ ชัดก็จะดูละเอียดขึ้นบางคนอาจจะดูไปถึงการเคลือ่อนไหวของของเลือดของลมตลอดถึงไม่ลืมลมหายใจด้วยในช่วงที่เดินไม่เช็ตั้งใจบางที่ตั้งใจประเภทเพ่งในบางทีลืมลมหายใจเลยนะใช่ไหมลืมล ม, ลมหายใจแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวชัดเจนตัวชัดแย้งหรือตัวยืดยุนเนี่ยมันจะเป็นการดู ไปการสั่นสะเทือนนะเลยเยเห็นื่เวลาเราโยนก็เห็นลงผิวน้ำเลยนาะจมเงี้ให้การสั่นสะเทือนมาอยู่จุดเดียวมยมันจะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆนะเป็นวงกลมอัตรา ส, ส่วนที่เท่ากันเป๊ะเลยนะการสั่นสะเทือนนะไม่เราจะกว้างลงจุดไหนก็ตาม การขยายของวงเนี่ยเคยสังเกตไหมวงนั้นแคบวงนี้กว้างวงนั้นเบี้ยววงนี้ตรงนี่เคยไหมไม่มีเนีะอันนี้ถ้าเราสังเกตกันเมื่อกันเวลา ก, การสัมผัสการสั่นสะเทือนมันก็คือสะเทือนไปทั้งตัวนั่นแหละแต่เราจะสังเกตได้ระดับไหนทั้งบวงที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าจนบอกวงนอกสุดยิย่งกระเทือนออกไปลักษณะของการสังเกตก็ลักษณะอย่างนั้นการ กระทบสัมผัสแล้วเห็นการเคลื่อนการไหวความยืดอยู่หนักเบาลักษีะเดินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อไม่ไม่เครียดเพราะมันมีการแบ่งเพราะจิต ข, ของเราเป็นจิตที่มีพลังสูงมากถ้ามันถูกโฟกัสณจุดใดจุดหนึ่งนานเกินไปเนะี่ยมันก็เลนสมมุติแสงแดดตางปกติมันก็ไม่เคยว่าส่องอะไรจนไหมกับที่เลไม่ใช่งี้ยใช่ไหมแต่เมื่อเราลึกสนุกขึ้นมาเราเอาเลนวาเลนกลุ่มมนะันเนาะไปโฟกัสแสงแดด ที่มันดวงมือมานี่ให้เหลืออยู่นิดเดียวเปไ็นไะงเพราะฉะนั้นไอ้ไอ burning point ก็เกิดขึ้นคือจุดเผาไหม้ก็เกิดขึ้ น, นใช่ไหมนะพอมันถูกรวมจิตของเราเหมือนกันถ้าหากว่าเรียบเสมือนแสงสว่างเหมือนกับความรู้สึกตัวทั่วตัวทั้งหมดเนี่ยมันถูกโฟกัสเข้ามาจุดได้จุดหนึ่งแล้วเราไปเพ่งจุดนั้นมันจะเกิดการจุดเผาไหม้ อันใช้คำ ว, ว่าฌานคือฌานขึ้นมาคำ ว, ว่าฌานนี่แปลว่าเผ า, าข่้นชาปนกิจใช่อไหมกิจคือการเผาเผาไหมเพราะอาการที่มันเกิดจุดเผามันกมีการเพ่งและโฟกัสซี่ไฮเ v โวคือสูงมากเลยสูงมันก็เกิดการเผาไหมในภาษาจิตเขาเรียกว่าฌานในภาษานี่เขาเรียกว่าชาปนากิจนะ ค, คือกิจคือการเผา นี้ในเบื่งต้นเนี่ยลักษณะของการทว่าท่นานใช้คำวการเพ่งเผากิเลสมันมีอยู่คำสองคาที่เราต้องทำความเข้าใจเวลาเราว่าอันไหนมันเป็นเพ่งอันไหนเป็นการเผาอขอโทษวันนี้ไม่ได้เก็บโทรศัพท์วันนี้ว่ากำลังเกบประกาศเก็บโทรศัพท์อยูน่นะได้เหตุได้เรื่องเลย ช่างซ่อมรถที่วัดมันถูมาเท้าไม่อยาซ่อมยังไงช่างเองก็อเนี่ไ ก, ก็เรื่องโทรศัพท์เลยก็ก่อนที่เราแต่ละคอร์สเนี่ยเราจะมีการบินทบาทเอาบาทมาตั้งเราใครจะใส่บาทก็เอาโทรศัพท์บินทบาทยังไงบาทวันนี้ไม่มีบาทก็อาถุงนะอะก็ใส่เอาไว้เพื่อป้องกันตัดกระแสบวงของมาน เพราะเรามีกระแสบวงของมานคืออย่างเงี้ยใหสับเข้ามาใช่ไหมเออเนี่ยไอ้หนูมันป่วยจะทําไงอ่าจะไปโรงพยาบาลเนี่ยจะใครออไม่มีใครอยู่บ้านนี่ฉันจะอยู่บ้านเธอมาดูบ้านอะไรก็จะมาละอ่าหรือบางเออพอป่วยกระทานหันเนี่ยเป็นลมล้มเนี่ยเข้าโรงพยาบาลทําไงเนี่ยใจเราปกติไหมไม่ปกติละนี่เขาเรียกว่าบวงของมาน จะคนไหนที่มีมานติดตามอยู่ถ้ามีโทรศัพท์อยู่เขาก็ใช้โทรศัพท์เลยเป็นตัวตามตามเราคาว่าตามรอยเราเพราะนั้นเพื่อความปลอดภัยในการที่จะมานไม่บรบกวนเราเราก็คือคืออะไรก็ตามที่มีผลตอออ่อการเปลี่ยนแปลงของจิตนะขณขนาดนั้นอย่ า, าฝ่ายดีฝ่ายร้ายก็ตามหุ้นนี้เคยซื้อหุอ้นวตัวนั้นตัวนี้มันขึ้นถั้งยี่สิบจุดเลย น, นะเนี่ยเป็นไงใจ ฟูกอัพเลยใช่ไหมฮะขึ้นมาวันนั้นก็เรียกว่าโอใจก็รอยตลอดทั้งวันไม่ได้เพื่อนผู้หวังดีแต่ไม่รู้ว่าเรามาเข้าฤทธิท์นะี่ก็บอกข่าววันนั้นไปซื้อหวยด้วยกันใบเนี่ยถ้าถูกขึ้นมาเธอจะฉันจะเอาจะเอาไง <c ười> อย่างนี้เปเดินด่าข่าวดีข่าวร้ า, รายก็มีผลต่อความรู้สึกทั้งฝูทั้งแฟบเหมือนกันดังนั้นในตอนกลางวันนะตอนที่ทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะบินทบาท โทรศัพท์กันแล้วก็นี่ออกนอกเรื่องไปเลยเห็นไหมแล้วก็สําหรับผู้ชายก็ถ้าเป็นไปได้ชุดที่แล้วเนี่ยครเราผู้ชายพักอยู่ ช, ชั้นล่างหลังนี้นะหลวงพ่อก็อยากจะให้ผู้ชายมาพักใกล้ๆหลวงพอ่อเผื่อว่าหลวงพ่อเกิดหายตัวขึ้นมาหายจะลำบากพวกเราก็จะได้โปรเทคได้ <g ly> ช่วยกันดูแลหลวงพ่อโดยหลวงพ่อหายากหากตัวยากนิดนึงเนาะปิ๊ เอานั้นก็ว่าขังตรงนั้นก็น่าจะได้อยู่ข้างบนข้างบนเป็นผู้หญิงใช่ไหมข้างบนมีเห็นมีเสืออยู่เช่นตอนนี้หลุงพ่อได้บ้านพิเศษละเขาบรรจงภยัยเสร็จภายในหนึ่งอาทิตย์เป็นบ้านไม้ไผ่ลุงพ่อบอกให้เขาว่าอยากจะอยู่บ้านไม้ไผ่มากกว่ขึ้นลงเพราะว่าเดี๋ยวลุงพ่อสะดุดลงตกบันไดขึ้นมาจะเป็นโทษอยู่เออยืนบ้านเตี้ยๆก็ไปขอไม่ทําบ้านหลังไม้ไผ่เอาไว้ก็ผู้ชายน่าจะสี่คนน่าจะได้อ่า ยกผู้หญิงพักกันที่นู่นใช่ไหมพักกันนู้นนะทางนี้มีไหมไม่มีนะงั้นผู้ชายเราข้าบนธสองคนข้างลังสองคนก็ได้นะควรจะได้พักกันเออถึงไหนเมื่อกี้นะผู้ไปถึงไหนจำได้มเนี่ยเมื่อกี้โทรศัพท์หาเรื่องไหวววะนี่เห็ไมหาเห็นเวนชัดๆเลยหนุมพอลืมประเด็นเลยนะฮะการสังเกตและการเพ่งใช่ไหม การถ้าหากว่าวิธีการนี้เราไม่ต้องการมานั่งเพง่งฌานไม่ต้องการมานั่งพงิจารแต่เราต้องการความรู้ความรู้เรียกว่าญาณเราต้องการญาณปัญญาเราไม่ต้องการฌานเพราะในญาณนั้นมันมีตัวฌานอยู่แล้วระดับหนึ่งนะในญาณเราต้องการญาณปัญญาเราไม่ต้องการฌานสมบัติระดับเวลามันสั้ น, มนไม่เวลาไม่พอทาทีนี้ มันมีอีกคำหนึ่งเขาว่าอาตาปีกับคำว่าฌาในนี่ใกล้ๆกันฌานนี่มันก็าการเพ่งเผาการเพ่งจิตให้ร้อนอาการเพ่งจิตให้เป็นหนึ่งเป็นเอกค้าตาเป็นหนึ่งเดียวนะแต่ว่าคำว่าอามันมีคำเวลาเราสวดดวงต่อันอาตาปนะีคำว่าอาตาปีหมายถึงว่ามีความเพียนเพ่งเผากิเลส แต่ว่าในฌานเขาเพ่งเผาอารมณ์แต่ไม่ได้เผาเกจเพราะในอารมณ์มีกิเกจก็มีไม่มีก็มีอารมณ์เฉยๆอารมณ์บ้างก็มีดังนั้นเวลารทำการเคลื่อนกันไหวก็ดีการเดินก็ดีเนี่ยเพื่อให้เห็นให้ชัดตั้งแต่ทั่วเท้าขึ้นมาหึ่งแรงกระทบในถ้าใครดูละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเห็นความเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึง การปวดการเจ็บการปวดที่เราเดินนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดการตึงแล้วการตึงของแข้งของขามปวดหลังปวดเอวขึ้นมาบดลุ่มๆแล้วไม่ได้ตามรู้มันจะเกิดความเบื่อความหน่ายความเซ็งขึ้นมาตามลําดับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูไปผ่อนคลายไปสังเกตให้เดินให้สบายที่สุดเท่าที่จะสบายได้แต่ไม่ใช่เดินแบบนักเต้นลําเต้นลาให้สบายอยนี้ไม่ได้นะแต่ให้รู้สึกคือความผ่อนคลายในขณะเดินให้ผ่อนคลายเดินไปแล้วรู้สึกมันตึงตรงไหนสังเกต จะแก้การตึงนั่นอย่างไรเดินไปแล้วสิมันขัดตรงไห น, นสังเกตจะแก้การขัดได้ไงสังเกตแล้วก็เปลี่ยนไปทีนี้การเดินมีสองระบบนะใช่ใว่าอภิกันเตปฏิกันเตการเดินไปข้างหน้าแล้วหันหลังกลับก็เดินไปข้างหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเดินหน้าหมายความว่าเดินไปข้างหน้าแล้วก็กลับก็เดินไปข้างหน้าเหมือนกันนนี้หมายความว่าการเดินหน้าอันที่สองหรือว่าปฏิกันเตเรือการถอยหลังอันนี้หมายความว่าเดินไปแล้วไม่กลับ แต่เอาหลังกลับได้ ว, ว่าติกันเตเชิญอาจารย์วิชิตรุนพีมาสังเกตการ์ดเอว่าเข้าปฏิบัติดเรื่อนู้นครูครูดาวนะมาปฏิบัติงานแรกก็ได้เรื่องเอาไปสอนเลยนะะไม่สอนนะไม่รู้ว่าได้หลายงานหรือยังครูกระบี่กะบองนั่นเองก็คราวที่แล้วก็มีอาจารย์วิชิตยันสุรพลยันพ่อง เจอกันไหมอาจา์่องยังพ่องอยู่ไหมหรือเศร้าไปแล้วอาจารย์วิชิตยังพิชิตอยู่ไหมหรือว่าพ่ายแพ้ไปแล้วไปแล้วไม่ใช่ยังอ๋อแล้วก็จะหาทำเหมือนเดิมไหมอ๋อหาเจริญสตินี่นะคือท่านเป็นครูสอนกระ บ, บีกระวอง แล้วก็พอหลังจากเบลบองหลวงพ่อว่าใชายาฟสาว่าเนี่ยใครอยากจะมีครูที่เข้มแข็งไปมีครูมีขวัญนะะขวัญแปลว่าครูครูแปลว่าขวัญขวัญเข้มแข็งก็คือมาเพิ่มกําลังขวัญคําว่าขวัญกับสติเนี่ยเป็นคําเดียวกันอขวัญแปลว่าจมจอมแปลว่ากลางใช่ไหมกลางแปลว่าขวัญพระเทียนจึงตั้งวัดชื่อว่าทับมิงขวัญแปลว่ามหาสติมิงขวัญนี่แปลว่ามหาสติมีสติสูงมาก ตอ น, น, นก็สร้างขวัและกำลังใจก็คือการยกมือเนี่ยแต่รู้สึกดูทีดีวันนั้นจะดูจะสร้างสั้นไปหน่อยบางทีในทีก็เขาครูเขาจะตั้งสติได้รีบออกมาถ่ายอ๋อเลยอ๋อแสดงว่าทําไป็นนานแล้วใช่ไหมนนเขาไปทําที่ไหนก็ถ่ายวีดีโอมาให้ดูด้วยนี่หลักฐานว่าผมไปทำจริงนะตรงนั้นดังนั้นความชัดเจนของการเคลื่อนไหวเนี่ย ถ้าหากเราสังเกตได้เขาเรียกว่าเป็นตัวความเพียร น, นะคือไม่ใช่ขยันเดินขยันทําแต่ว่าไม่ได้สังเกตไม่ได้สังกาอะไรกําลังเกิดขึ้นกับตัวเองว่ามันหนักไม่หน่วงไม่ง่วงไม่เ ง, ง, งาไม่ไมไมคิดไม่เบื่อไหมนะต้องสังเกตสิ่งเหล่านี้ด้วยนะฮะในเวลาเดียวกันแต่เบื้องต้นถ้ายังไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็สังเกตกายไปก่อนสังเกตกายแก้ปัญหาของกายพราะกายเดินไปนานๆมารู้สึกหนักเหนื่อยเมื่อยล้าทางกายเนี่ย กฎของอะไรความเปลีป่ยนแปลงใช่ไหมของการเปลีป่ยนแปลง เ, เพราะฉะนั้นเรายังจะไปไม่ถึงจุดนั้นเราเพียงแต่ว่าการเดินมีสองระบบคือระบบก้าวหน้าและถอยหลังระบบดเดินไปทางหน้าเนี่ยหมายความว่าจิตใจเรายังปกติการเคลื่อนกันไว้ปกติเดินไปสบายสบายอยู่สักพักหนึ่งจิตมันอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกมันก็จะหาเรื่องรู้หาเรื่องคิดไปทีนี้ไดหน่อยนะ เรารู้สึกว่ามันจะยาวไปเรื่อยๆคืนเดินไปข้างหน้ายอย่างเดียวมันก็เพลินเพลินในความคิดเดินไม่รู้ตัวแต่พอกลับลำเลยทีนี้ถอยหลังนะถอยหลังที่ถอยหลังก็คือมันจะเกิดการอะไรเอาเวกเกิดการ alert ขึ้นขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมาเพราะว่ามันจะกลัวไปชนใครสักคนหนึ่งใช่ไหมกลัวจะล้มก่อนจะขุนไม่คุ้นมันก็พอเราเกิดการตื่นตัวเกิดการ a ิ e r t ขึ้นมาชิด จิตของเราที่มันพลุนพลุนเรื่องนัน้นก็จะกลับมามาระวังตัวเองจิตก็กลับมาเขาว่าจิตกลับมานั้นพ่อหมายถึงตัวสตินะเพราะตัวสติจะเป็นพาตัวจิตกลับมามันจะเป็นแรงรับแหลงส่งคือตัวสติเสร็จแล้วพอเดินกลับไปมาสักพักรู้สึกว่าจิตมันนิ่งมันอยู่กับที่แล้วก็กลับมาเดินปกติเพรา ะ, ะนั้นการถอยหลังนะี่เป็นการแก้ปัญหาว่าจิตของเรามันเพลินแล้วมันคิดไป แต่ต้องสังเกตจริงๆว่เออมันพริกคำว่าคิดแลยละเอียดต่างๆก็ค่อยพูดกันต่อไปเป็นณช่วงนี้เราจะเดินจงกลุมสาธิตกันก่อนนะอะเดี๋ยวดูลุกขึ้นจนันมีเวลายาวไหมวันนี้ อ, อ๋อเลยก็ในช่วงเข้ามาเรื่อยๆนะจะได้มาช่วยเป็นวิทยกรด้วย วัฒ <laughs> น, น, นสาสทอาเคลียพื้นที่เคลียออยซียสตัฟยูปิลองจิงทีหาไม่เจ อ, อนันเราหาหาไม่เจอนะอ้าวแถวลาผู้ชายแถวแรกเลยครับแถวละสี่ลุมๆเนาะปิกไปในช่อง ห่างเลยนี่คือทำหน้าที่ตรงนั้นก็ได้อ้าวผู้ชายเราหมดหรือยังชายสามหรือสี่ั้งน้ำหนึ่งเนาะคุยอีกเลก็งนี้อีกสองก็ได้ค่สองอ้าวยมบสองคนมานี่เลย้วเอาข้อตั้งตั้งโมเดลก่อนนะไวาจะได้นี่ก่อนดิแวห่างกันอ้าวขึ้นมาเลย ทีนี้ผมพ่อเรียงสีแล้วตามต่อตั้งแถวที่สองเลยแถวที่สองตรงนี้นะ่าจะได้อีกแถวหนึ่งครูขึ้นมา ต, ต่อกันไปเลยขึ้นมาต่อเลย <c oughs> แถวที่สองแถวที่สขึ้นให้เต็มไปแถวๆกันเนาะโอ้แถวนี้อย่าให้ยาวดิ ยาวคุณก็ไปเดินสตักที่บันไดไม่มีทางเดินไปข้างหน้าเลยนี่แค่นั้นก็เดินไปแค่นั้นก็หยุดเราไปเลี้ยวตรงนั้นไม่ได้เออแค่นี้แค่แค่นี้ก็พอเวลาเดินก็เดินไปสุดแค่นั้นนะอ้าวเตรมตัวเดินไปข้างหน้าเดินสบายๆเดินหน้าเลยมีช่องให้เดินเท่าไหร่ก็เดินได้เท่านั้นแหละเอามือเก็บไว้ข้างหน้าก่อนตอนแรกนะเก็บมือไว้ข้างหน้า แล้วก็ยืนเฉยๆกันเพราะว่าจะต้องรอแถวหลังไปถึงด้วยเสร็จแล้วพอยิดสนิดแล้วก็หมุนตัวกลับตัวกลับพอกลับแล้วก็เดินเลยเดินเราสังเกตไหมว่าเวลาเท้าเหยียบพื้นเอา่วนไหนลงกดถึงพื้นก่อน ส่วนหน้าส่วนหลังบงคลชอบลงส่วนหลังนะดันตึงตึงๆเลยคนไหนชอบเดินลงส่วนหน้าก็จะเบาหน่อยพอแถวหน้าพอมาถึงปั๊บยืนนิดหนึ่งสังเกตว่าแถวหลังหยุดสนิทแล้วแล้วก็แถวพอดีเรามีกระจกสะท้อนให้เห็นว่าแถวหลังแถวหน้าพอกลับแล้วก็เดินเลยทพรามันก็คือตัวที่เคลื่อนไหวแถวหน้านุ่งพอกลับได้ก็เดินเลยเพราเราตั้งใจเกินไปมันก็จะรู้สึกหนักหนัก เท้าหนักน่องหนักขาขึ้นมาถ้าเราสังเกตแล้วก็เราก็ทำเหมือนยืดหยุ่น f l e ซิโบเป็นสามรอบห้ารอบแรกมันก็ยังไม่รู้สึกอะไรหนะพอเาเดินไปห้านาทีเจ็ดนาทีสิบนาทีแล้วจะรู้สึกว่ามันมีความรู้สึก้าที่ฝ่าเท้าแต่สำหรับคนที่มีสติสัมยะสูงก็จะรู้สึกผ่อนคลายรู้จักวิธีผ่อนคลายไม่สั่งสมความตึงเอาไว้ การยกขาสังเกตการหนักมันกดในส่วนไหนบ้างแล้วก็สังเกตข้อเท้าเข่ากล้ามเนื้อส่วนขาส่วนกะโปงอะไรสังเกตไปทั่วๆ ว, ว่าแถวแถวเนี้ยเวลาเดินเดิน้ปหน้าแล้วจะเดินมาถึงประมาณนี้ใช่ไหมดังนั้นเวลาถอยกลับเนี่ยคุณก็ต้องถอยมาถึงจุดนี้โดยที่ไม่ต้องสงสัยว่าจะถอยไปแค่ไหนนะเพราะเวลารู้ได้ว่าเวลาเดินเนี่ยแถวแรกถูกจุดนี ที่แถวหลัง so, น like ู้นเมือนกันเวลาเดินไปข้างหน้าคุณก็สังเกตว่าม่กกี้เดินไปถึงไหนเพราะนั่นก็เลยถอยกลับจากนู้นก็ต้องถอยมาถึงจุดที่สมมติแถวหน้าด้านนั้นจนเดินม่กกี้มาถึงเสานึ่งพอดีใช่ไหม